สักสิบกว่าปีก่อนมีแผ่นหินอยู่แผ่นหนึ่งนะอยู่หน้าศาลานอกนะเป็นแผ่นหนแผ่นหินขนาดใหญ่แล้วก็มีข้อความว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักถึงแม้ว่าแผ่นหินนี้จะหายไปแล้วนะแต่ว่าอ่ข้อความที่ว่านี้นะมันก็ ยังมีอยู่นะในในใจของผู้คนที่มาอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราถึงแม้หลายคนจะเพิ่งมาใหม่แต่ก็ให้ระลึกว่าคนที่เราเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยแม้จะไม่รู้จักชื่อแต่ว่าก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าให้ถือว่าเป็นเพื่อนที่เพิ่งรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่มาอยู่ก่อนหลวงพ่ออมเขียนท่านเวลาใครมากราบท่านจะมาขออยู่ท่านก็บอกว่ามาเลยนะให้ถือว่าที่นี่เป็นบ้านในบ้านนี้มันก็ไม่ได้มีใครอื่นไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่พี่น้องหรือเพื่อน สหายเพื่อนใหมน่นี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ผู้คนเท่านั้นน ะ, ะธรรมชาติที่นี่รวมทั้งสิ่งสารสัตว์ก็ให้เราถือว่าเป็นเพื่อนใหม่นะไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่าศัตรูแม้ว่าในป่านีนะ้มันจะมีสัตว์ที่เราไม่คุ้นเคยบางชนิดก็มีพิษ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปทำร้ายใครเท่าไหร่อยู่มาตั้งแต่อยู่มาสามสิบกว่าปีนะที่นี่ก็เท่าที่รู้นะมีคนที่ถูกงู ก, กัดบ้างถูกตะขาบกัดบ้างก็ไม่เกินนิ้วในมือข้างเดียวนะคือไม่เกินห้าเท่าที่รู้ก็สมหรือสี่เท่านั้นแหละ แปลว่าสิบปีก็มีหนึ่งลายนะก็แสดงว่ า, างูงเงี้ยวเขี้ยวขอที่นี่นะก็เขากม็มีพิษเพื่อป้องกันตัวเขาเองจากศัตรูในธรรมชาติแต่ไม่ใช่เรานะพวกเราไม่ใช่เป็นศัตรูในธรรมชาติของเขาเพราะนั้นก็ให้สบายใจว่ า, าสิ่งสารสัตว์ที่นี่ก็เป็นมิตรของเราด้วยเหมือนกัน ลวมทั้งต้นไม้ถึงแม้บางต้นจะจะเก่าบางต้นจะยืนต้นตายนะก็ไม่เคยทำอันตรายแก่ใครต้นไม้ล้มก็มีนะเคยมีลมนะ้มฟาดกุฏิพังไปเป็นแถบเลยไม่ใช่เป็นแถบฟังพังไปทั้งหลังเลยแต่ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายเนะพราะเขาเลือกจะถ้าเขาอยู่ไม่ไหวเขาก็เลือกที่จะ ล้มพังลงมาตอนที่ไม่มีใครนะอันนี้ก็ก็ถือว่าเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะทำความเดือดร้อนให้กับพวกเราเหมือนกันเพราะพวกเรานล้นแล้วแต่มาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สบายใจนะแล้วก็ได้เปิดใจต้อนรับนะเพื่อน ใหม่ๆของเราแต่ที่จริงแล้วเพื่อนใหม่ที่สําคัญอันนึงนะที่บางคนอาจจะเพิ่งรู้จักเพื่อนใหม่นี้สําคัญมากนะบางคนอาจจะไม่ได้ระ ล, ลึกเลยว่านี่คือเพื่อนของเราแต่ก็หวังว่ามาที่นี่แล้วก็จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่นี้นั่นคือตัวเรานั่นแหละ ตัวเรานี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรนะที่ดีที่สุดของเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมิตรจะรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนจานวนมากคือไม่ค่อยเป็นมิตรกับตัวเองเท่าไหร่หรือไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นเป็นมิตรเวลาอยู่ กับตัวเองเวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกกระสับกระส่ายนะบางคนอาจถึงกับทุรนทุรายในยามที่ต้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าพวกเราเกือบทุกคนนะจะเพื่อว่าเรารักตัวเองแต่เวลาเราอยู่กับตัวเองทําไมถึงกับอยู่ไม่ค่อยได้อถ้าเรารักตัวเอง เมื่อได้อยู่กับตัวเองเราน่าจะมีความสุขต่อรักสิ่งใดเราก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนรักลูกหลานปู่ย่าตายายบางคนนี่ติดหลานมากนะเพราะว่ารักหลานมากยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็อยากจะอยู่ใกล้ไม่อยากพากไม่อยากจากไม่ใช่แค่ผู้คนนั้ น, น, นสิ่งของทรัก ก็อยากอยู่ใกล้จะเป็นรถยนต์จะเป็นโทรศัพท์หรือพาคเครื่องนะถ้ารักแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆนะคนบางคนนี่รักรถมากนะ้วก็เช็ดรถทั้งวันนะคอยตรวจตารถบางคนนี่เอารถไปจอดไว้ในห้องแอร์นะมีนะเพราะว่ารถนี่ราคาแพงมากราคา ยี่สิบล้านนะเพิ่งเห็น น, น, นะว่าอู่จอรดรถหรือไม่เรียกว่อูเป็นบ้านดีกว่าเป็นบ้านติดแอร์ให้รถอยู่นะรักมากนะยี่ห้อ น, นี้ก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแลมเบอร์กิน่อะไรสักอย่างเนะ่เขารักมากนะเขาก็อยากจะอยู่กับรถคันนี้นะมีความสุขที่ได้สัมผัสคนที่รักพระเครื่องนี้ก็ก็จะคอยส่องพระเครื่องทั้งวัน แต่ทําไมเวลาเราอยู่กับตัวเองคนที่รักตัวเองบอกว่ารักตัวเองทําไมจึงไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยากจะหนีจากตัวเองมากกว่าอผู้คนจำนวนไม่น้อยก็พยายามหนีหนีตัวเองโดยการไปเที่ยวห้างบางทีก็ นีตัวเองด้วยการไปพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนวัยรุ่นนี่เป็นมากนะมีโทรศัพท์ก็ทาวางอะไรก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนันถ้าอยู่กับตัวเองแล้วไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนนะก็จะรู้สึกเหมือนกับทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกเลยก็ว่าได้ นั่นทาลักตัวเองเนี่ยจริงๆมันจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะหลายคนรู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวถ้าว่าเรามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนคือเป็นมิจกตัวเองเนี่ยก็ยากที่จะมีความรู้สึกเหงานณะไอความรู้สึกเหงาเป็นความรู้สึกที่เกิดจาก ความสําคัญตนว่าอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครเลยแต่ถ้าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนเนี่ยนมันก็จะไม่มีความรู้สึกเหงาอ้างว้างนมีตัวเองเป็นเพื่อนจะเหงาได้อย่างไรนบางคนเหงาถึงขนาดที่เรียว่ายอมที่จะไปเป็นแฟนกับผู้ชายบางคนซึ่งรู้ทั้งรู้ว่า เจ้าชู้นะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณข้างตัวเองมีลูกของเพื่อนคนหนึ่งแกก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีนะไม่ดีในความหมายที่ว่าเจ้าชู้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณข้างตัวเธอแต่เธอก็อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเหงาก็เลยต้องพยายามหาคู่ทางารที่ก็รู้นะว่า ไอ้สิ่งที่คนที่ตัวเองนี่เอาเป็นคู่อยู่แล้วก็คงไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าถ้ามีตัว เ, เป็นเพื่อนมันไม่เหงานะมีเพื่อนสองคือตัวเองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคนเราสามารถที่จะเป็นมิตรกับตัวเองได้นะขอเพียงแต่ว่าเรามีเวลาที่จะให้กับตัวเอง มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีนะให้การอยู่กับตัวเองกลับทำให้ฟุ้งซ่านและกลับจะเป็นทุกข์มากขึ้นมีคนจนน้ไม่น้อยเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นมิตรกับตัวเองแล้วเนี่ยกลับเป็นศัตรูกับตัวเองด้วยซ้ำพระเจ้าตรัสว่าคนพาลเนี่ยย่อมทำกับตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรู คนพาลในที่นี้ก็หมายถึงคนชั่วนะคนชั่วเนี่ยก็ทำกับตัวเองเป็นหนึ่งเป็นศันตรูคือทำร้ายตัวเองอย่างง่ายๆคือการาปล่อยให้กิเลสหรือว่าความโลภครอบงำใจเสร็จแล้วก็ไปขโมยไปทำร้ายค่นฆ่าเพราะความโลภ หรือว่าไปกระทําชํามเราคนอื่นด้วยราคาในสิ่งเหลียวนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาทําร้ายตัวเองคือทําแล้วก็อยู่รอนนอนทุกข์ต้องคอยหลบหนีตํารวจหรือกลัวเหยื่อผู้เคราร้ายนะจะมาแก้แค้นอันนี้ถือว่าทําร้ายตัวเองแล้วนะเมื่อเราไปทําชั่ว ผลลั์ก็จะย้อนสะท้อนกลับมาทําให้ตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขยิ่งถ้าติดคุกติดตารางด้วยแล้วนี่ก็เรียกว่าอนาคตรกระดับเลยอันนี้ถือเป็นการทําร้ายตัวเองแบบหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นทําร้ายผู้คนแต่ว่าไอความความหลงก็ทําให้เอาสิ่งที่เป็นทั่วกับตัวเองเนี่ย มาเสบสิ่งที่เป็นทั่วกับตัวเองเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่จนแบบเมาหัวราน้าเลยแล้วบางคนก็พิการเพราะว่าขับรถเมามาจนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยเพราะการกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างไม่บรญญบับบรญยังอันนี้ก็ถือว่าทำ้ายตัวเองถือว่าเป็นการทำกับตัวเองเหมือนศัตรูเหมือนกันนะ พวกเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าบางครั้งอาจจะทำ้ายตัวเองในอีกลักษณะหนึ่งเช่นคอยเก็บความโกรธเอาไว้ในใจเก็บความแค้นไว้ในใจเก็บความาพยาบาทไว้ในใจไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสมอนยาพิษนะที่มันบั่นทอน จิตใจและทำลายร่างกายของเราเราคงทราบอยู่แล้ว่าคนที่มักโกรธนะชอบเก็บความโกรธเอาไว้เนี่ยไม่รู้จักให้อภัยก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้ง่ายมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ไม่มาก2ี่สิบกว่าแกไปหาหมอเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่หายสักทีปัญหาของแกคือแกเป็น แกมีอาการปวดหัวปวดท้องหรื้อลังและความดันสูงเป็นอย่างนี้มาหลายปีไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายหมอก็แปลกใจเพราะว่าตรวจสุขภาพก็ไม่มีร ผ, ผิดปกติทางกายหมอนี่เกือบจะถอดใจแล้วแต่วันหนึ่งหมอก็เกิดเอกใจขึ้นมาก็เลยบอกให้คนไข้เนี่ยช่วยเล่าประวัติของเข้าให้ฟังหน่อยเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกัมพรา กัม้าพ่อกัมพาแม่ก็มีพี่สาวดูแลแต่เวลาเธอพูดถึงพี่สาวเนี่ยเธอก็มีอาการอาการก็คือความโกรธนแล้วก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจด้วยพี่สาวคงจะไม่ได้ไม่ได้ดูแลเธอเท่าที่ควรหรืออาจเธออาจจะคาดหวังจากพี่สาวมากแต่ว่าไม่ได้รับอย่างที่ต้องการก็มีทั้งความโกรธและความน้อยใจหมอก็เลยเดาออกว่า ไอ้ความเจ็บปวดของเธอเกิดจากอะไรก็เลยแนะนำให้เธอเนี่ยให้อภัยพี่สาวอันเธอไม่พอใจนะโกรธหมอสินะหายหน้าไปเลยไม่มาหาหมออีกเลยผ่านไปหนึ่งปีเธอเขียนจดหมายมาบอกบอกหมอคนเดิมนี่ว่าตอนนี้หายแล้วไอ้โรคปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันหายเป็นเปลิดทิ้งเลยเพราะว่าทำตามที่หมอนแนะนำ นี่แสดงว่าเนี่ยความโกรธนะความเจ้าคิดเจ้าแค้นของเธอเนี่ยนะมันกลับมาทําร้ายตัวเธอเองสุขภาพนี่ย่ําแย่ยังไม่ต้องพูดถึงสุขภาพจิตนะก็คงจะแย่ไม่น้อยประกสุขภาพกายไอ้ความโกรธเนี่ยมันไม่มีใครยัดเยียดให้กับจิตใจของเราได้ก็มีแต่ใจของเราเนี่ยแหละที่ไปเก็บไปสะสมมัเอาไว้ถ้าเรา มีอาการแบบนี้ก็แสดงว่าเราก็ไม่รักตัวเองนะเรากําลังทำร้ายตัวเองบางทีมันไม่ใช่ความโกรธนะแต่ จ, จะเป็นความกลัวก็ได้นะความกลัวก็ถ้าเก็บสะสมเอาไวก้ก็ทำร้ายตัวเองได้เหมือนกันอาจจะเริ่มต้นจากร่างกายก่อนอาคุณหมอประเวศเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีนักศึก มีผู้ชายคนหนึ่งแกอายุก็มาสักสี่สิบได้มั้งทำงานบริษัททาเป็นนักธุรกิจแกเล่นเทนนิสเป็นประจำก็แสดงว่าสุขภาพก็ใช้ได้ทีเดียวแล้ววันนึงไปตรวจสุขภาพประจำปีปรากฏว่าหมอบอกว่าแกหัวใจรั่วพอได้ินแกก็ตกใจเลยนะเพราะว่าความเข้าใจแกหัวใจรั่วคือว่าหัวใจเป็นรูพอหัวใจเต้น มันก็สูบมันก็มีเลือดพุ่งออกมาแต่วาดภาพอย่างนั้นแกก็เลยตกใจกลัวอย่างนี้ก็ตายสิแกนึกไปถึงนะว่าตัวเองใจยุสั้นแล้วก็ลูกล่ะครอบครัวล่ะจะอยู่ยังไงจะทํำยังไงจะตกใจมากที่จริงเนี่ยหมอตั้งใจจะบอกแกว่าลิ้นหัวใจแกรั่วไม่ใช่หัวใจรั่วแต่หมอพูดไม่ครบนะหมอตั้งใจจะบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วซึ่งเรื่องหัวใจรั่วเนี่ยนะ ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ออกกาลังกายก็ยังพอออกได้เลยแต่ว่าพอแกไปเข้าใจว่าไปลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็สร้างภาพแบบนี้แกก็กลัวตกใจกังวลสองวันเท่านั้นแหละนะหลังจากนั้นแกก็เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วกไ็ไม่กี่วันต่อมาก็เข้าห้องไอซแล้วก็ไม่ออกาหม่เลยตายตายไม่ไม่ใช่ตายเพราะลิ้นหัวใจรั่วนะแต่ตายเพราะความกลัวความวิตกกังวล ว่าหัวใจรั่วเนี่ยความกลัวเนี่ยมันก็ทําร้ายเราได้เหมือนกันแต่ความกลัวที่มันสมอยู่ในใจเราเนี่ยส่วนนึ่งก็เกิดจากการที่เราไปยึดเอามันเอาไว้นะปรุงแต่งด้วยปรุงแต่งจนเกินเหตุก็เกิดความกลัวอันนี้ก็ถือว่าทําร้ายตัวเองเหมือนกันนะบางทีเราทําร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวและที่จริงไอ้ความไม่รู้ตัวนี่แหละ นะที่มันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายและจิตใจของตัวอยู่บ่อยๆจะว่าเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนพาล น, นะที่ทําร้ายตัวเองหรือทํากับตัวเองเหมือนศัตรูคนที่ลืมตัวก็สามารถจะทําร้ายตัวเองหรือทํากับตัวเองเป็นว่าเหมือนศัตรูได้ก็คือ ปล่อยใจให้ปรุงแต่งปล่อยใจใปรุงแต่งไปต่างๆนานาเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เก็บเอามาคิดคําต่อว่าดาทอติชินนินทาผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมให้มันผ่านเลยไปก็ไปเก็บเอามาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองยิ่งคิดก็เหมือนกับว่ายิ่ง เอามีกรีดแผลในใจของตัวก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้เจตนานะคนที่ทำอย่างนี้แต่ว่าลืมตัวลืมตัวใจมันก็เผลอไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดทรัพย์สมบัติที่ถูกโกงไปหรือสูญหายกระเป๋าเงินที่ตกหลน่นหายไปไม่มีวันไม่มีหวังจะเอาคืนได้ ผ่านไปแล้วก็ยังคิดนะด้วยความเสียดายและเสียใจก็กลายเป็นว่าไม่ใช่เสียแต่เงินนะแต่ว่าใจก็เสียต่อมาสุขภาพก็เสียด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นเพราะเสียดายหรือเพราะแค้นใจที่ถูกโกงเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่คืนอะไรก็แล้วแต่แต่ในเมื่อมันไม่มีทางจะได้คืนแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันเสียแต่ของเสียแต่เงินก็ กับเอามาคิดแล้วก็เลยเสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าทำ้ายตัวเองเหมือนกันนะบางคนถึงกับไม่เป็นอันหลับอันนอนนะแม่พ่อขอร้องว่าให้กินข้าวให้พักผ่อนก็ไม่ยอมเพราะว่าเสียดายเสียใจครับแค้นใจเงินเป็นหมื่นที่ถูกเพื่อนชักดาไปคือยืมไปแล้วไม่คืนเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าทำ้ายตัวเองนะจะเรียกว่าเหมือนกับตั้งใจก็ได้จะเป็นการประชดตัวเองก็แล้วแต่คนที่ทําอย่างนี้ไม่ใช่คนพาล น, นะแต่ทํานั้นเพราะว่าลืมตัวแอนถ้าเราปล่อยให้ความลืมตัวนะมันคล้องกำจใจเนี่ยนะเราก็จะไม่มีทางเป็นมิตกับตัวเองได้บางครั้งเนี่ยการลืมตัวของเรามันก็นําไปสู่การที่ใจเนี่ยมัน กลับมาย้อนทิมแทงตัวเราเพราะว่าใจมันเกิดพยศขึ้นมาเอาพวกเราที่เป็นพยาบาลเป็นเจ้าที่นะทางสาธารณสุขก็คงทราบนะมันมีโรคหลายโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะจะเรียกว่าบกพร่องก็คงไม่เชิงนะแต่ว่ามันขยันเกินเหตุนะมันกลับมาเล่นงาน ร่างกายของเราเขาเรียกว่าโอเวอร์เรีแอคนะเช่นมาทำให้เป็นไขข้ออักเสบบ้างเป็นโรคเกาบ้างเป็นโรคพุ่มพวงบ้างนะแม้กระทั่งโรคบางโรคที่น่ากลัวอย่างเช่นโรคซาไอที่ตายกันเนี่ยจนเวลาก็ผ่าตัดแล้วพบว่าโรคคนที่ป่วยเป็นโรคซาปอดยับเยินเลยนะเลือดเต็มปอดเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่เกิดจาก เชื้อไวรัสนะแต่มัน ก, ก, กระจับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันเข้าไปถลม่มเชื้อไวรัสแล้วนะมันมันเข้าไปกัดเข้าไปทําลายเยื่อหุ้มปอดไวรัสไม่ได้ทํานะแต่ภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเราเนี่ยมันมันทําร้ายตัวเองทําร้ายร่างกายของเราเขาเรียกว่ามันโอเวอร์เรียคเพราว่าอีโบลานี่ก็เหมือนกันนะอีโบลาที่มันอ่ามีความร้ายแรง ใครที่ติดเชื้อนี่มีโอกาสตายเนี่ย 70-80% เนี่ยนะส่วนหนึ่งไอ้ความร้ายแรงของมันเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวไวรัสนะแต่เกิดจากผูมุมกันร่างกายเราเนี่ยมันเข้าไปเล่นงานร่างกายเรามันขยันเกินเหตุหรือว่ามันตื่นตกใจเกินเหตนะุน่าจะเป็นความตื่นตกใจมากกว่าแต่มันไม่ใช่เฉพาะภูมิต้านทานร่างกายที่ทําอย่างนั้นนะจิตใจเราบางทีก็โอเวอร์แอคเหมือนกันนะีมันพยศ เจออะไรมาเจออะไรที่ไม่ถูกใจหน่อยก็เกิดอาการกลัวตื่นตกใจลนลานนะบางทีเรื่องนิดหน่อยก็บอกไม่ไหวไม่ไหวเอาแต่บ่นว่าไม่ไหวไม่ไหวทั้งที่ก็เป็นเรื่องนิดหน่อยบางคนเป็นทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพียงเพราะว่าเห็นใบหน้าเหี่ยวย่นหรือว่ามีสิวมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่หลายคนโอเวอร์รีมาก หรือว่าบางทีเจอคนรักเขาตีจากไปอย่างเมื่อชายนี้ก็มีข่าวนะผู้ชายเนื้อฆ่าตัวตายเพราะว่าหญิงสาวแฟนสาวมาบอกเลิกทางเฟซบุ๊กนะโอ้ทําใจไม่ได้ถึงกับขั้นฆ่าตัวตายอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการ อเวอร์รีของจิตใจนะจิตใจที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็สามารถจะทำร้ายเราหรือทำร้ายผู้คนทำร้ายเจ้าตัวได้อย่างน่ากลัวมากนะเพียงแค่เพื่อนไม่กดไลค์ให้นะก็เป็นทุกข์เสียใจนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคอมเมนต์นะถ้าเกิดเพื่อนคอมเมนต์ด้วยนี่ยิ่งแย่ข้าไปใหญ่ทั้งที่มันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้ความทุกข์นี่เกิดจากอะไรนะ าการกระทำของคนอื่นเนี่ยเขจะทําเพียงแค่นิดหน่อยนะแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงมากนะสุดท้ายก็เกิดผลเสียกับตัวเองบางคนก็คลุ้มคลั่งบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเป็นที่ใจของตัวเองแท้ๆใจที่ฟุ้งซ่านใจที่คิดไปสารพัดัวกระทั่งบางทีบางคนก็เห็นภาพหลอนบางคนก็ได้ยินเสียงหลอน มันเป็นใจของตัวเองท่านั้นแหละนะที่ปรุงแต่งไม่มีใครมาทำให้เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้ก็ล้นแต่เป็นอาการของใจที่นะทำให้ตัวเองเนี่ยนะกลายเป็นศัตรูของตัวเองนะถึงบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนพาลเท่านั้นที่ทำกับตัวเองเป็นศัตรูนะคนที่หลงตัวคนที่ลืมตัวก็สามารถจะ ทำกับตัวเหมือนกับเป็นศัตรูได้พระพื่อเจ้ตรัสว่าจิตที่ฝึกฝนผิดทางหรือจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเลยเนี่ยสามารถก่อความเสียหายยิ่งกว่าโจรทํากับโจรด้วยกันหรือยิ่งกว่าคนที่จองเวรทำแก่กันและกันเราลองนึกภาพว่โจรเนี่ยนะเวลามันต่อสู้กันเนี่ยนะโอ้ทำลายกันหนักมาก หรือว่าคนที่จองเวรมีความอาฆาตพยาบาทกันเวลาพันตูสู้กันนี่มันหนักหนาสาหัสมากแต่ผู้เจ้าตรัส ว, ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกหรือจิตที่ฝึกผิดทางเนี่ยสามารถจะทำความเสียหายหรือทําความชิบหายได้มากกว่าที่โจรกับโจรทําต่อกันและการสืบในทางตรงข้ามนะจิตที่ฝึกเอาไว้ดีแล้วสามารถจะทําสิ่งประเสริฐให้กับเราชนิดที่ว่า พ่อแม่ก็ทำให้กับเราไม่ไดนะ้เพื่อนก็ทำให้กับเราไม่ได้แต่จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยสามารถจะทำสิ่งนั้นให้กับเราได้สิ่งนั้นคืออะไรฉะนนก็คือความสุขสิ่งนั้นคือความสงบอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าพ้นทุก์เลยก็ได้นะนัคือนิพพานนิพพานคือความสงบเย็นเป็นอิสระจากความทุกข์ นี่เป็นสิ่งประเสริฐที่พ่อแม่ก็ทําให้กับเราไม่ได้ครูบาอาจารย์แม้จะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนก็ทําให้กับเราไม่ได้แต่จิตที่ฝึกเอาไว้ดีแล้วนี่ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหันมาให้ความสําคัญกับการฝุกจิตฝึกใจมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะในการที่จะทําให้ใจนี้นะ กลับมาเป็นมิจกับเราทำให้เราเป็นมิจกับตัวเองจิตถ้าหากว่าไม่ฝึกเนี่ยนะมันจะเป็นจิตที่อันตพาลเป็นจิตที่เกเรเป็นจิตที่ไม่เชื่องนะแต่จิตนั้นเนี่ยสามารถฝึกให้เชื่องได้สามารถจะฝึกให้เป็นมิจที่ประเสริฐของเรา และทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งประเสริฐของชีวิตได้วิธีที่ทำให้ตัวเองเป็นมิกับตัวเองนะก็คือการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตนะคนรานี่ก็ประกอบด้วยกายกับใจนะที่จริงการดูแลร่างกายเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็เป็นส่วนสําคัญด้วยในการทําให้เป็นมิกฉาตัวเองเพราะถ้าเราไม่ดูแลร่างกายนะเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมานะมันก็ทุกข์อยู่ไม่เป็นสุขหรือถ้าเกิดว่าเรากินสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายอาจจะไม่ใช่เหล้าบุหรี่แต่อาจจะเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสารพิษหรือถึงแม้ไม่มีสารพิษแต่มันเป็นอาหารที่ เกินความจําเป็นถึงแม้จะมีอาหารครบห้าหมู่ห้าหมวดนะแต่ถ้าเรากินมากไปนะคาโบยเดย์ไขมันน้ําตาลนะมันก็เป็นโทษได้ไอ้ร่างกายนี่กลับมาเป็นอันตรายกับเราเองบางทีอาจจะทําให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยกลายเป็นศัตรูของเราเวลเอาอวัยวะบางส่วนของเราเนี่มันกลายเป็นมะเร็งขึ้นมานี่ เราอยากจะเราแทบจะตัดมันทิ้งเลยนะอยากจะตัดมันทิ้งเลอเกินคนที่เป็นมะเร็งปอดนี่จะปวดเพราะปอดมากก็อยากจะตัดปอดทิ้งแต่มันตัดไม่ได้คนที่เป็นมะเร็งสมองนี่ก็ทรมานมากอยากจะตัดสมองทิ้งก็ตัดไม่ได้อย่างดีนะที่หัวใจเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่เป็นมะเร็งนะเอาไปให้อื่นนี่มันเป็นมะเร็งได้ทั้งนั้นเลยอโชคอย่างดีนะที่ไม่มีใครเป็นมะเร็งหัวใจนะแต่แม้จะเป็นมะเร็งอือ่นนะมันก็ตัดไม่ได้ แต่ว่าพราะตัดไม่ได้เนี่ยถึงรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดมันนะหลายคนมีความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเป็นศัตรูกับตัวเองเพราะว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแต่ถึงแม้จะเจ็บป่วยนะอวัยวะบางส่วนพิกลพิการไปหรือเป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราได้ระการฝึกเราก็สามารถจะอยู่ความเจ็บป่วยได้ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยการฝึกจิตเนี่ยสคัญมากนะ บางคนแม้ถือแม้ว่าร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีแต่ว่าจิตไม่ได้รับ ก, การฝึกฝนอันนี้มันสามารถจะทำร้ายตัวเองได้ยิ่งกว่าที่สุขภาพกายยิ่งกว่าความเจ็บป่วยจะทําให้กับเราอย่างที่บอกนะคนบางคนสุขภาพดีแต่พอใจป่วยใจเป็นทุกข์แล้วนี่อยากจะตายด้วยซ้ำในขณะที่บางคนแม้จะป่วยด้วยโรคร้ายเป็นมะเรง็งนะเป็นโรคหัวใจแต่ว่าใจเขาดี ใจเขาดการฝึกอย่างดีเขาก็มีความสุขได้สามารถที่จะมองโรคมะเร็งด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะไม่เกลียดนะไม่รังเกียจมะเร็งแล้วก็ไม่รังเกียจร่างกายที่เป็นมะเร็งนะไม่รังเกียจอ ว, วัยวะที่เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการการฝึกการฝึกจิตเนี่ยมันเป็น ตัวชี้ขาดทีเดียวก็ว่าได้ในการที่ทําให้เราเป็นมิกฉาตัวเองแต่แน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราดูแลร่างกายดีด้วยนะใการที่จะเป็นมิกัาตัวเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นไปได้แต่ความจริงก็มีอยู่ว่าไม่ว่าเราจะดูแลร่างกายดีอย่างไรร่างกายมันก็ต้องต้องเจ็บต้องป่วยวันยังขําต้องแก่ต้องชราวัวนยังค่ํามราะนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็ต้องนะกลับมาสร้างทุกขเวทนาให้กับเรา ร่างกายนี่แหละที่เคยให้สุขเวทนากับเราพาเราไปเที่ยวพาเราไปกินของอร่อยพาเราไปฟังเพลงวันดีคืนดีมันก็กลายกลับกลายมาเป็นตัวสร้างทุกเวทนาให้กับเราอันนี้มันเป็นธรรมดานะสิ่งใดก็ตามที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะกลับมาเป็นทั่วกับเราได้เงินทองที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะกลายเป็นทั่วกับเราได้เวลามันหายไปรถยนต์ที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะสร้างความทุกข์กับเราได้ เวลามันเสียไปเวลาถูกโจรลักไปร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้มันให้สุขเวทนากับเราแต่ว่าวันหน้าก็อาจจะสร้างทุกขเวทนากับเราอันนี้ป้องกันได้ยากอีกเรื่องได้ยากแต่ใจเนี่ยนะถ้าเราฝึกเอาไว้ดีแล้วเนี่ยนะมันสามารถจะช่วยได้แม่ร่างกายเจ็บป่วยแม่ร่างกายจะกลับมาเป็นโทษสร้างทุกขเวทนากับเรา แต่ใจไม่เป็นทุกข์ด้วยอันนี้เรียกว่าป่วยแต่กายใจไม่ป่วยใจที่ฝึกไว้ดีแล้วทำให้เราอยู่กับทุกขเวทนาได้มันทุกขเวทนาของกายนะและอาจจะทำให้เราได้ประโยชน์จากทุกขเวทนาของกายด้วยนะเช่นพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็เห็นว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันสอนทำให้กับเราความเจ็บป่วยแสดงทำให้เราเห็น ทำให้เราเกิดปัญญาทำให้เราเกิดความฉลาดมากขึ้นให้ความเจ็บป่วยซึ่งใครๆมองว่าเป็นความเลวร้ายเป็นเคราะห์ร้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นของดีได้ทันทีถ้าเกิดว่าใจเราแต่ละการฝึกฝนอย่างดนะีเมื่อใจแต่ละการฝึกฝนอย่างดีก็สามารถจะมองความเจ็บป่วยนั้นว่าเป็นของดีได้นะคือสอนทำให้กับเราสอนไตลักให้กับเราเพราะนั้นเนี่ยการ การที่จะทำให้การที่เป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยนะสิ่งสำคัญจริงอยู่ที่การฝึกใจนะส่วนการดูแลรักษาร่างกายนี้เป็นเป็นเป็นส่วนประกอบเป็นตัวรองดูแลก็ดีแล้วนะแต่ว่าดูแลยังไงก็ตามในส่วนก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่การดูแลใจฝึกฝนจิตใจนะมันจะให้ผลอย่างที่เรียกว่าไม่ไม่ ไม่เสื่อมสลายไปเลยแม้กระทั่งเวลาที่จะตายก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรกายจะแตกดับแต่ว่าใจก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยโลกอ่เทคโนโลยีต่างๆหมอพยาบาลแม้ว่าจะปรารถนาดีกับเราช่วยเราเพียงใดมันก็ไม่ทำให้เราจิตใจสงบได้เลยแต่ถ้าใจของเราฝึกเอาไว้ดีแล้วแม้ในายามในายามนั่นแหละที่เรา จะยังสามารถพึ่งตัวเองได้สามารถจะจิตใจสามารถจะเป็นพึ่งพาสุดพึ่งที่พึ่งพาสุดท้ายของเราได้ในยามที่ไม่มีอะไรช่วยเราได้แล้วเพราะว่าโลกมันลามไปถึงสุดทางของมันแล้วนะยังไงก็ต้องตายแน่ๆ แ, แต่ว่าใจไม่ทุกข์นะเพราะว่าฝึกเอาไว้ดีแล้วนั่นใจเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งสําคัญมากพรนะพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้เอาไว้แล้วว่าเนี่ยจง มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอันนี้ผู้เจ้าตัดสอนพระอานนท์ตอนที่พระอานนท์เสียใจเมื่อรู้ว่าผู้เจ้านี่ชราแล้วก็อาจจะต้องดับขันปรินทรพ่านไปตอนนั้นพระอานนท์เนี่ยก็คอยคิดแต่จะพึ่งพาพผู้ เ, เจ้าผู้เจ้าก็บอกเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งแล้วพู้เจ้าก็ขยายความว่ามีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง การที่เราจะทําให้เราการที่เราจะเป็นมิตรกับตัวเองหรือทําให้จิตใจนี้เป็นมิตรกับเราได้นี่สิ่งสําคัญคือธรรมะนะเมื่อเรามีธรรมะธรรมานั่นจะรักษาใจเราธรรมานั่นจะสามารถเปลี่ยนใจของเราจากที่เคยเป็นศัตรูกลายเป็นมิตรและสามารถจะเป็นที่พึ่งพางเราได้อย่างแท้จริงการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเรื่องสําคัญนะนนการเป็นมิตรกับตัวเอง จะเป็นไปได้เนี่ยก็คือการกลับมาฝึกฝนธรรมะฝึกฝนให้ธรรมะนี่มันได้ตั้งมั่นในจิตใจของเราโดยเพราะสติสมาธิปัญญาซึ่งเหล่านี้นจะเป็นเครื่องคุ้มการรักษาจิตได้อย่างดีมากอุตตราตรัสว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะ อ, นอันนี้เป็นรางวัลของการการทุ่มเท เพื่อฝึกฝนจิตใจของตัวเองทําอย่างอื่นนี่มันก็ให้ความสุขชั่วคราวนะแต่ว่าถ้าการฝึกฝนจิตใจนั่นแหละที่จะทำให้เราเกิดความสุขอย่า ง, ย, า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับตัวเองนะมันทางนี่แหละเป็นทางสายเอกนะที่จะช่วยทําให้เราได้ประสบความสําเร็จในการที่จะได้มีตนเองเป็นที่พึ่งมีตนเองเป็นมิตรนะ ก็หวังว่าพวกเราที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะก็ถ้าว่ายังไม่มีตัวยังเป็นมิตรนะก็หวังว่าจะได้พบกับมิตรหรือเพื่อนใหม่ของเราที่นี่หรือจากการมาปฏิบัติธรรมที่นี่คำนี้ก็พูดกันทานี้นะมอกราบครบ